ไปนี้เป็นบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของพระราชวุอาจารย์หรือหลวงปู่ดูลอาตุโลเรื่องหลวงปู่ฝากไว้รวบรวมบันทึกไว้โดยพระโพธินันทมุนีประวัติของหลวงปู่ดูลอาตุโลโดยสังเขปหลวงปู่ดูลอาตุโลนับเป็นสิทธิ์อวโส ร, รุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอารัญยวาสีในยุค ป, ปัจจุบัน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 หลวงปู่อ่อนยานศิริวัดป่านิคโครทารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่สามอากินจโนวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุรินและพระเทพสุธาจารย์หรือหลวงปู่โชตคุณสัมปันโนวัดวชิราลงกรอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับศีลอาวุโสของหลวงปู่ดูลที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้แก่พระวิสุทธิธรรมรังสี หรือหลวงพ่อเปลี่ยนโอภาโสวัดป่าโยธาประสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์พระชินวงศ์สาจารย์วัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อสุวัดสุวัโจวัดธร้ำสีแก้วจังหวัดสกลนครและพระโพัินันทามุนีวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นหลวงปู่ดูลอาตุโลเป็นพระอริยะเจ้าที่มีคุณธรรมล้ําลึกท่านเน้นการปฏิบัติภาวนา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 ตำบลชเนเหียงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านเกิดในตระกูลกเกษมสิล์เป็นบุตรคนหัวปีในจำนวนพี่น้องทั้งหมดสี่คนเมื่ออายุ22ปีหลวงปู่ได้อุปสมบทที่วัดจุมพลสุทธาวาสอําอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีท่านพระครูวิมลศีรพฤษหรือทองเป็นพระอุปัชฌาย์ในพรรษาที่หหลวงปู่ได้เดินทาง้วยเท้าไปจังหวัดอุบลราชธานี ทำนักอยู่ที่วัดสุทธสนารามเพื่อเรียนปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีแล้วเรียนบาลีวยาก์ต่อถึงแปลมูลกัดายได้หลวงปู่ได้รู้จักชอบพอกับหลวงปู่สิงคันตยาขโมซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันดีในนามของแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้า ทำการเผยแพร่ธรรมะในสายพุทธโธจนแพร่หลายมาตราบเท่าทุกวันนี้ในปีที่สองที่หลวงปู่ไปพำนักอยู่ที่อุบลราชธานีนั้นหลวงปู่มั่นได้ทิ้ดดงมาพำนักอยู่ที่วัดบูรพาในเมืองอุบลราชธานีหลวงปู่ดูลและหลวงปู่สิงสองสหายผู้คล้ธรรมได้ไปกราบนมัส ก, การและฟังธรรมของพระอาจารย์ใหญ่เกิดความอัศจรรย์ใจและศรัทธาเป็นที่ยิ่ง จึงตัดสินใจเลิกละการเรียนด้านปริยัติธรรมแล้วออกธุดงตามหลวงปู่มั่นต่อไปนับเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นในสมัยแรกและได้ร่วมเดินธุดงตามหลวงปู่มั่นไปในที่ต่างๆอยู่นานปีหลวงปู่ดูล่ิ่วธุดงหาความวิเวกตามป่าเขานานถึง19ปีจึงได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาการคณะสงฆ์ให้หลวงปู่เดินทางไปประจําอยู่จังหวัดสุรินทร์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 โดยหลวงปู่รับภาระทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระบริหารงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลังสามารถในปฏิปทาส่วนตัวของท่านนั้นไม่เคยละทิ้งกิจธุดงบาเพ็ญเพียรทางใจอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพร้อมทั้งอบรมทางสมาธิภาวนาแก่ผู้สนใจปฏิบัติทั้งครหอัดและบรรพชิตด้วยเหตุที่หลวงปู่มีเมตตาธรรมสูง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 ได้ละเสียซึ่งสังขารเมื่อวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526สิริรวมอายุได้96ปีกับ26วันพระอาหารหันตธาตุของท่านได้เก็บรักษาไว้ให้สาุชนตะสการะที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานในบริเวณวัดวรพารามอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนคำสอนของหลวงปู่ซึ่งเป็นคำสอนสั้นๆและเฉียบคมลําลึกนั้น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 เราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้เรื่องเป็นการดัดนิสัยหรือเปล่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลาหกปีผลได้ที่สงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนค้นแค้นแสนเข็นด้วยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แพ่ปกคลุมไปแล้วทุกหย่อมยญาโดยเฉพาะเครื่องนุ่งหม่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนรในวัดต่าง มีสบงจีวานชุดเดียวก็บุญนักหนาแล้วพวกเราเป็นสมมเนีนอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสมมเนีนพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสมมเนีนชุมพลโฮมจีวานใหม่และสวยจึงถามว่าจีวานนี้ท่านได้จากไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทำวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดท่านจึงประทานให้มาผืนหนึ่ง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 สมณีนพรมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังเรื่องทุกขเพราะอะไรสุภาพสตรีวัยเลยกลางคนผู้หนึ่งเข้านมาสัส ก, การหลวงปู่พนานาถึงฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะที่ดีไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจอบายยมุกทุกอย่าง ทำลายทรัพสมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ขอความกรุณาหลวงปู่ให้ช่วยณอุบายบรรเทาทุกข์และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายามุกนั้นด้วยหลวงปู่ก็แนะนำสั่งสอนไปตามเรื่องราวนั้นๆตลอดถึงณอุบายทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้เป็นเมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้วหลวงปู่ปรารธรรมะให้ฟังว่า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 อุทานธรรมต่อมาเมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องจิตกับสรรพสิ่งทั้งพวงได้แล้วจิตก็หมดพันธะกับเรื่องโศกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะดีหรือเร็วมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่งทั้งนั้นแล้วจิตที่ขาดปัญญาย่อมเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจของเครื่องร้อยรัดทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจ อันโทษ ท, ทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดปล่อยได้บ้างส่วนโทษทางใจมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรึงรัาไว้นั้นต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองพระริยาเจ้าทั้งหลายท่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทางความทุกข์ยังครอบงําไม่ได้อุทานธรรมข้อต่อมาเมื่อบุคคลปลงผมหนวดเคราออกหมดแล้วและได้ครองผ้ากาสวาวพัดเรียบร้อยแล้ว ก็ น, นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นภิกษุได้แต่ยังเป็นได้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นต่อเมื่อเขาสามารถปรุงสิ่งที่รกรุงรังทางใจอันได้แก่อารมณ์ตกต่ําทางใจได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นภิกษุในภายในได้ศีรษะที่ปรุงผมหมดแล้วสัดเลื้อยคลานเล็กน้อยเช่นเหาย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันใดจิจที่พ้นจากอารมณ์ขาดจากการปรุงแต่งแล้ว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 จะผุดขึ้นในจิตของเราเราจะได้รู้จักว่าพุทธโธนั้นเป็นอย่างไรเรารู้เองเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายเรื่องอยากได้ของดีเมื่อต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2526คณะแม่บ้านมหาไทยโดยมีคุณหญิงจวบซิรโรธเป็นหัวหน้าคณะได้นำคณะแม่บ้านมหาไทยไปบำเพ็ญสงคมสงเคราะห์ทางภาคอีสาน ได้ถือโอกาสแวะนมาส ก, การหลวงปู่เมื่อเวลา 18.20 นาฬกาีนาทีหลังจากกราบนรมาส ก, การและถามถึงอาการสุขสบายของหลวงปู่ได้รับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจากหลวงปู่แล้วเห็นว่าหลวงปู่ไม่ค่อยสบายก็รีบออกมาแต่ก็ยังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถือโอกาสพิเศษกราบหลวงปู่ว่าดิฉันขอของดีจากหลวงปู่ด้วยเถิดเจ้าค่ะหลวงปู่ยิ่งเจริญพรว่า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 เรื่องไม่ตามใจผู้ถามผู้ที่อยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ที่โรงพยาบาลจุฬาในรอบดึกมีจำนวนหลายท่านเป็นกันเขาเหล่านั้นมีความสงสัยและอศัศจรรย์ใจอย่างยิ่งโดยที่สังเกตเห็นว่าบางวันพอเวลาดึกสงัดตีหนึ่งผ่านไปแล้วได้ยินหลวงปู่อธิบายธรรมะนานประมาณสิบกวนาทีแล้วสวดยถาให้พรทาเหมือนหนึ่ง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 จากจังหวัดบุรีรัมย์หลายท่านมีร้อยตำรวจเอกบุรชัยสุขนสมัตอายการจังหวัดเป็นหัวหน้ามากราบหลวงปู่เพื่อฟังข้อปฏิบัติธรรมและเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งส่วนมากก็เคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แตละองค์มาแล้วและแสดงแนวทางปฏิบัติไม่ค่อยจะตรงกันเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยยิ่งขึ้นจึงขอกราบเรียนหลวงปู่ โปรดช่วยแนะแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและทำได้ง่ายที่สุดเพราะหาเวลาปฏิบัติทำได้ยากหากได้วิธีที่ง่ายๆแล้วก็จะเป็นการถูกต้องอย่างยิ่งหลวงปู่บอกว่าให้ดูจิตที่จิตเรื่องง่ายแต่ทำได้ยากคณะของคุณดวงพรทารีฉัดจากสถานีวิทยุฐานอากาศศูนย์หนึ่งบางซื่อนำโดยคุณอาคมธ น, นิเทศ เดินทางไปถวายพระปา่าและกราบนมัส ก, การครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆทางภาคอีสานได้แวดกราบนามัส ก, การหลวงปู่หลังจากถวายพระปา่าถวายจตุ ป, ปัจจัยทยทานแด่หลวงปู่และรับกระถูกองคลเป็นที่ระลึกจากท่านแล้วต่างคนต่างเข้าออกไปตลาดว่าพักผ่อนตามอัธยาศัยบ้างมีอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณสีห้าคนเข้าไปกราบ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 การไว้ทุก์ที่ถูกต้องนั้นควรไว้อย่างไรเจ้าคะลุงปู่บอกว่าทุกต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปไว้มันทำไมเรื่องจริงตามความเป็นจริงสุภาพสตรีชาวจีนคนหนึ่งถาวายสการะแด่ลุงปู่แล้วเขากราบเรียนว่าดิฉันจะต้องไปอยู่ที่อมเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทามาค้าขายอยู่ใกล้ญาติทางโน้น ทีนี้บรรดา ญ, ญาติๆก่อเสนอแนะว่าควรจะขายของชนิดนั้นบ้างชนิดนี้บ้างตามแต่เขาจะเห็นดีว่าอะไรขายได้ดีที่ฉันยังมีความลังเลใจตัดสินเอาเองไม่ได้ว่าจะเลือกขายของอะไรจรึงให้หลวงปู่ช่วยแนะนำด้วยว่าจะให้ทิฉันขายอะไรยิงจะดีเจ้าค่ะขายอะไรก็ดีเท่านั้นแหละถ้ามีคนซื้อเรื่องไม่ได้ตั้งจุดหมายไว้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 อะไรเป็นวิหารธรรมของเธอภาษารีบุตรกราบทูลว่าความว่างเปล่าเป็นวิหารธรรมของข้าพระองค์หมายถึงศุญยตาก็เห็นมีอยู่เพียงแค่นี้แหละที่มาสัมผัสจิตของเราเรื่องแนะนำตามวิทยฐานะพระอาจารย์สุจินสุจินโนจบนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์นานแล้วมีความเลื่อมใสในทางปฏิบัติธรรม เคยไปฝากตัวไปลูกศิษย์หลวงปู่หลุยเป็นเวลาหลายปีต่อมาเมื่อได้ยินกิจศัพท์หลวงปู่ดูลจึงลาหลวงปู่หลุยมาปฏิบัติกับหลวงปู่ตลอดถึงขอบันประชาอุปสมบทอยู่ตลอดมาอยู่กับหลวงปู่พอสมควรแก่ความต้องการแล้วจึงกราบลาเพื่อเดินทางทุดงวิเวกต่อไปหลวงปู่แนะนําว่าส่วนเรื่องของพระวินัยนั้นให้ศึกษาอ่านตํำรับตําราให้เข้าใจ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 อง์ไหนสมควรไปก็ขอร้องให้ไปส่วนมากเมื่อไม่อยากไปก็มักจะอ้างว่ากระพมก่อสร้างไม่เก่งอบรมไม่เป็นเทศไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรือรับแขกไม่คล่องเป็นต้นจึงยังไม่อยากจะไปหลวงปู่ก็สอนว่าสิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นเท่าไหร่หรอกเรามีหน้าที่ปฏิบัติกิจวัตรเท่านั้นเองวินทบาทฉันแล้วก็นั่งภาวนาเดินจงกรม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 แต่กลับไปยินดีในเพศอื่นภาวะอื่นความทุกข์ก็จะทับถมอยู่ร่ำไปหยุดกระหายหยุดสแสวงหาได้นั่นคือภิกษุภาวะโดยแท้ความเป็นพระนั้นยิ่งจนยิ่งมีความสุขกรารบธรรมะให้ฟังจบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายพูดเก่งอธิบายได้อย่างทราบซึ้งมีคนเคารพนับถือมาก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 เพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งเรื่องคิดไม่ถึงสำนักปฏิบัติแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสาขาของหลวงปู่นั่นเองอยู่ได้การเฉพาะพระประมาณห้าหกรูปอยากจะเคร่งครัดเป็นพิเศษถึงขั้นสมาทานไม่พูดจากันตลอดพรรษา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 แต่ที่ว่าหยุดพูดได้นั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากภาริยาบุคคลผู้เข้านิโรธาสมาบัติชั้นละเอียดดับสัญญาเวทนาเท่านั้นแหละที่ไปพูดได้นอกนั้นพูดทั้งวันทั้งคืนยิ่งพวกที่ตั้งปฏิญาณว่าไม่พูดนั่นแหละยิ่งพูดมากกว่าคนอื่นเพียงแต่ไม่ออกเสียงให้คนอื่นได้ยินเท่านั้นเองเรื่องอย่าตั้งใจไว้ผิดนอกจากหลวงปู่ จะนำปรัช ญ, ญาธรรมที่ออกจากจิตของท่านมาสอนแล้วโดยที่ท่านเคยอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้วตรงไหนที่ท่านเห็นว่าสําคัญและเป็นการเตือนใจในทางปฏิบัติให้ตรงและลัดที่สุดท่านก็จะยกมากล่าวเตือนอยู่เสมอเช่นหลวงปู่ยกพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคน ไม่ใช่เพื่อให้คนมานิยมนับถือไม่ใช่เพื่ออา น, นิสง์ลาบสักการะและสรรเสริญไม่ใช่อา น, นิสง์เป็นเจ้าลัทธิหรือแก่ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรมอาจารย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวระความสมรวมเพื่อปหานะความละเพื่อวิราคะความหายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะความดับทุกข์ผู้ปฏิบัติและนักบวชต้องมุ่งตามแนวทางนี้ นอกจากแนวทางนี้แล้วผิดทั้งหมดเรื่องทพุตททพน์หลวงปู่ว่าตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ตราบนั้นย่อมมีทิฏฐิและเมื่อมีทิฏฐิแล้วยากที่จะเห็นตรงกันเมื่อเห็นไม่ตรงกันก็เป็นเหตุให้โตเถียงวิวาดกันอยู่ร่ำไปสำหรับภริยเจ้าผู้เข้าถึงธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรสหรับมาโตย้างกับใครใครจะมีทิฏฐิอย่างไร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 ยอ่อมววาทโตเถียงกับเราเรื่องผู้ไม่มีโทษทางวาจาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2526หลวงปู่กำลังอาพาธหนักพักรักษาอยู่ที่ห้องพระราชทานตึกจงกรณีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลวงปู่สามอากินจโนเดินทางไปเยี่ยมหลวงปู่ถึงห้องพยาบาลขณะนั้นหลวงปู่กำลังนอนพักผ่อนอยู่ เมื่อลุงปู่สามขยับไปนั่งใกล้ชิดแล้วก็ยกมือไหว้ลุงปูดูลก็ยกมือรับไหว้แล้วต่างองค์ต่างนั่งเฉย อ, อยู่ตลอดระยะเวลานานเมื่อสมควรแก่เวลาอย่างยิ่งแล้วหลุงปู่สามประนมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจำนานจาว่ากระผมกลับก่อนลุงปูดูลว่าอือตลอดเวลาเกือบสองชั่วโมงได้ยินเพียงแค่นี้เองเมื่อลุงปู่สามกลับไปแล้ว